ร่ำรวยก็มียากจนก็มีความแตกต่างห่างกันนานาประการเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องชี้ให้พูดเชื่อในกรรมและผลของกรรมเห็นความมีพบชาติในอดีตของแต่และชีวิตในชาติปัจจุบันเกิดมาต่างกันในชาตินี้เพราะทำกรรมไว้ต่างกันในชาติอดีต